บทที่ห้าลมหายใจกลายเป็นตัวหนังสือชั้นเพนเสร็จท่านพระครูก็ต้องรับแขกอีกเพราะมีแขกมารอเยี่ยมตั้งแต่ท่านฉันยังไม่ทันจะเสร็จบุคคลที่มาเยี่ยมในช่วงกลางวานันนี้ม่ใช่คนสิงบุรีแต่เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด ข้าบดีพาสมาชิกในครอบครัวมากันพร้อมหน้าคนทั้งห้ากราบท่านอย่างนอบน้อมแล้วขหาบดีก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อไปหาผมก็ไม่บอกล่วงหน้าถ้าผมไม่พบน ốt แผ่นนี้บนโต๊ะที่ทํางานก็ยังคงไม่ทราบว่าหลวงพ่อมาหาพูดพร้อมกับส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง รับมาอ่านข้อความในกระดาษแผ่นนั้นเป็นรายมือของท่านส่วนกระดาษเป็นของข้าหับอดีเพราะที่หัวกระดาษพิมพ์ชื่อและที่ตั้งของบริษัทข้อความที่ปรากฏบนกระดาษแผ่นนั้นมีว่าอาตมาขอลาพรุ่งนี้อาตมาจะต้องจากโลกมนุษย์ไปและจะไปไม่กลับมาอีกขออนุโมทนาที่โยมและครอบครัว ได้พากันมาปฏิบัติที่วัดป่ามะม่วงเพื่อสร้างความดีให้ชีวิตนอกจากนี้ยังบริจาคทรัพย์ให้มูลนิธิทุนเสริมสมองเพื่อช่วยสร้างคนให้เป็นคนดีอาตมาขออนุโมทนาและขอลาโยมไปก่อนขอให้โยมและครอบครัวจงประสบความสุขความเจริญด้วยเทินขอเจริญพรพระครูเจริญทิตตธรรมโม วันที่13าตุลาคม2521อ่อ่านแล้วท่านพระครูจึงพูดกับขาหักบดีว่าอาตมาไม่ได้ไปหอกโยมอาตมาเพียงแต่แผ่เมตตาไปก่อนวันที่อาตมาจะได้รับอุบัติเหตุหนึ่งวันมันก็แปลกนะลมหายใจใกลายเป็นตัวหนังสือได้หมายความว่าอย่างไรครับหลวงตาหนุ่มต้อมถามเวลาผ่านไปห้าปี เขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากหมายความว่าหลวงตาปฏิบัติกรรมฐานกำหนดลมหายใจพองหนอยุบหนาแผ่เมตตาไปให้ปาของหนูแล้วมันก็ไปปรากฏเป็นข้อความในกระดาษแถมเป็นลายมือหลวงตาเสียด้วยนี่ถ้าป๋าของหนูไม่มาบอกหลวงตาก็คงยังไม่รู้ว่าลมหายใจกลายเป็นตัวหนังสือได้เขาเรียกแปลกแต่จริงใช่ไหมหนู ท่านถามหนุ่มติงบัตรนี้ตัวโตวกว่าพี่ๆครับหลวงตาตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละครับผมออกจะสงสัยแล้วสิครับคนอื่นๆเขาทำได้อย่างหลวงตาหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่เป็นพระเหมือนกับหลวงตานะครับท่านทำได้อย่างหลวงตาหรือเปล่าชายหนุ่มอยากรู้ หลวงตาก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะหลวงตาเองก็เพ่งจะทราบว่าหลวงตาทําได้ท่านตอบยิ้มยิ้มและหลวงตาเป็นอะไรครับถึงต้องเข้าเฟื่อเ ก, กือบทั้งตัวอย่างนี้นายต่อซึ่งกลายเป็นพี่ชายคนโตแทนในต้นเป็นคนถามหลวงตาได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักแล้วหนูรู้ได้อย่างไรว่าหลวงตาอยู่ที่นี่ พวกเราไปที่วัดก่อนครับคือเมื่อวานตอนบ่ายป๋าเขาเห็นโนต้ตของหลวงตาบนโต๊ะทํางานเขาเกิดความคิดถึงจึงชวนผมกับแม่มาพ่อถึงวัดคนที่วัดบอกหลวงตาอยู่โรงพยาบาลพวกเราก็ตรงมาที่นี่เลยเอ๊ะเมื่อกี้นี่หลวงตาบอกว่ารถคว่ำคอหักเหรอครับแล้วไม่เป็นอะไรเหรอครับ ท่านพระครูรู้ว่าจะต้องถูกซักไซายจึงเล่าให้พวกเขาฟังเสียให้หมดเรื่องหมดราวไปมิทันได้สังเกตว่าล้านชายตัวดีแอบมองหนุ่มต่อด้วยแววตาเป็นประกายครั้นเท่านเล่าจบล้านชายก็พูดขัดขึ้นว่าลุงลุงจะไม่แนะนำให้หนูรู้จักกับลูกศิษย์สุดลอหน่อยละ่ะฮะไม่ยักรู้ว่าลลงลุงของขุนทอง ไปแอบมีลูกศิษย์หล่อๆเอาไว้คำพูดของนายขุนทองทำให้ในายต่ออายจหน้าแดงท่านพระครูจึงปรามหลานชายว่านยน้อยหน่อยเจ้าขุนทองไปเองออกไปข้างนอกได้แล้วไว้ข้าจะใช้คอยให้สมชายไปตามให้หนูนั่งฟังด้วยไม่ได้หรือต่อไปนี้หนูจะไม่พูดก็ได้นั่งฟังเงียบ เขาต่อรองขหาหบดีจึงพูดขึ้นว่าให้เขานั่งฟังเถอะครับหลวงพ่อผมไม่ถือสาแม่จวนจึงต้องออกอุบายว่าคุนทองพาย่าไปหาข้าวกินหน่อยอย่าชักหิวละถ้าในปินโตก็ได้นี่ฮะคุณย่าหลวงลุงฉันไปนิดเดียวเองเขาหาทางออกในปินโต เอาไว้ให้เองกับสมชายกินตอนเย็นคืนนี้ต้องนอนเฝ้าลงลุงไม่ใช่หรือแม่จวนไม่ยอมฟังเสียงงั้นก็ให้พี่สมชายพาไปก็แล้วกันส่วนหนูจะอยู่ฟังเขาคุยกันชายหนูไม่ยินยอมด้วยนึกรักปักใจพ่อยอดชายนายต่อ พอดีกับโยมเตียงเดินเข้ามากราบพร้อมกับออกตัวว่าวันนี้ที่ร้านขาย ข, ายของดีเลิศเกินฉันก็เลยมาเอาบ่ายไม่เป็นไรหรอกโยมถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องมากก็ได้โยมแม่มาเฝ้าอยู่แล้วท่านพระครูพูดอย่างเกรงใจข้าบดีพูดขึ้นว่านี่โยมแม่ของหลวงพ่อเหรอครับสวัสดีครับคุณย่า เขาทำความเคารพแม่จูนภรรยาและลูกชายทั้งสามทำตามท่านพระครูจึงถือโอกาสแนะนําโยมเตียงอีกผู้หนึ่งนี่เพื่อนของโยมแม่ที่อาสามาเฝ้าไข่อาตมาทุกวันคนทั้งห้าจึงทําความเคารพโยมเตียงผู้ซึ่งดูอ่อนวัยกว่าแม่จวนสักสิบกว่าปีแม่เตียงกินข้าวกลางวันมาหรือ ย, ยังแม่จวนถามเพื่อนรุ่นน้องเรียบร้อยแล้วจ้ะ พี่จวรและจากินหรือยังยังเลยกำลังจะให้เจ้าคุนทองพาไปหนูไม่ไปหนูจะอยู่ฟังเขาคุยกันนายขุนทองปฏิเสธงั้นผมพาคุณย่าไปเองก็ได้ครับในต่อรับอาสาเขาพอจะอ่านสายตาของในขุนทองออกสายตาที่มองเขาอย่างอยากจะทอดไมตรีให้ เขาไม่เคยคิดที่จะรักคนเพศเดียวกันทั้งไม่นิยมชมชอบในการกระทาที่ผิดธรรมชาติจึงอยากจะไปเสียให้พ้นพ้นสายตาของพ่อนหนุ่มถ้าทางกระตุง้งกระติ้งผู้นี้อุ๊ยถ้า ง, งั้นขุนทองไปด้วยคุณทองจะเป็นไกด์พาคุณชมตลาดนะคะพูดพลางชายตาให้ชายหนุ่มงั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องไปเขาพูดเสียงห้วน เห็นชายหนุ่มไม่มีใจด้วยในขุนทองรู้สึกผิดหวังจนอยากจะกลั้นใจตายเสิเดี๋วนั้นท่านพระครูรู้สึกสงสารทั้งหลานทางโลกและหลานทางธรรมจึงพูดไก่เกลีย ว, ว่าเองก็พายาเขาไปหากินอะไรก่อนประเดี๋ยวค่อยมานั่งฟังเขาคุยกันโยมยังไม่กลับไม่ใช่หรือท่านถามข้าบดียังครับ กิมเองหรือไม่มีธุระที่ไหนใจไหมข้าหาบดีตอบท่านพระครูแล้วจึงถามภรรยาไม่มีค่ะดิฉันอยากมากราบหลวงพ่อนานแล้วอยากมารายงานว่าตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อดิฉันและครอบครัวมีความสุขมากเราละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใส โดยการปฏิบัติด้วยปั ส, สนากรรมฐานทุกวันเดี๋ยวนี้ดิฉันไม่โศกเศร้าถึงลูกคนโตแล้วล่ะค่ะเพราะปรงได้แล้วว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างที่หลวงพ่อสอนนางกิมเองพูดเสยาวหลังจากที่เป็นผู้ฟังมานานอาตมาสอนตามที่พระพุทธองค์สอนนยโยมก็เป็นอันว่ายโมได้พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ด้วยการปฏิบัติธรรมและโยมก็ได้รับผลคือความสุขพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าธทำโมสุจินโนสุขมาวะหาติทำที่ประพฤติดีแล้วนำมาสึ่งความสุขความสุขที่เกิดจากความประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เพราะไม่เจือปนด้วยทุกข์จริงครับหลวงตาความสุขอย่างอื่นมักเจือปนด้วยทุกข อย่างเช่นเราชอบกินปลาขณะที่กินก็มีความสุขแต่พอก้างปลาติดคอความทุกข์ก็วิ่งเข้ามาแล้วนายต่อยกตัวอย่างนายขุนทองรู้สึกว่าเรื่องที่เขาคุยกันนั้นจะน่าเบื่อขึ้นทุกทีจึงชวนแม่จวนไปหาอะไรกินหลังจากนั้นค่อยมานั่งมองพ่อหนุ่มรูปงามคนนี้ผมเห็นด้วยกับพี่ต่อรับหลงตา เพราะผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วในต้อมเอ่ยขึ้นบ้างประสบการณ์อะไรเล่าให้หลวงตาฟังได้หรือเปล่าท่านพระครูถามบัดนี้อาการปวดก้นหายไปแล้วอาการปวดใจหายไปก่อนตอนที่นางจำแลงลากลับคงเหลือแต่อาการคันการได้สนทนากับขหกบดีและครอบครัวของเขาทำให้ท่านลืมคันไปชั่วขณะ ได้ครับคือเมื่อเดือนที่แล้วเป็นวันเกิดผมผมก็พาเพื่อนๆไปเลี้ยงพวกเขาอยากกินอาหารทะเลผมก็พาไปกินที่ร้านอาหารซีฟู้ดที่อ่าวกระเบนพวกเราก็กินกันอย่างอริดอ่อยเสร็จแล้วก็พากันกลับยังไม่ทันถึงบ้านก็ปวดท้องกันทั้งคันรถคือเราไปกันห้าคนครับหลวงตานั่งรถคันเดียวกันผมเป็นคนขับ พ่อปวดจนทนไม่ไหวพวกเราก็มองหาที่ถ่ายทุกกันแต่ก็หาไม่ได้เพราะรถติดมากครั้นจะจอดไว้กลางถนนแล้วก็วิ่งเข้าร้านค้าข้างทางก็ทำไม่ได้อีกแล้วก็เลยเกิดเรื่องใหญ่คือทุกคนถ่ายรถกางเกงกันรถผมนี่เหม็นกลุ้งเลยครับแล้วก็เหม็นติดทนนานมากผมเอาไปอัดฉีดหลายครั้งกลิ่นก็ยังไม่หมด พวกผมปรับทุ ก, กันว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทุกครั้งไหนเท่าครั้งนั้นทำเอาผมขยาดอาหารทะเลมาจนบัดนี้หลวงตาขอถามหน่อยว่าวันเกิดของหนูอ่ะที่หนูพาเพื่อนไปเลี้ยงนั่นนะ่ะคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างท่านพระครูถามท่านยังคงเรียกสามหนุมว่าหนูเหมือนที่เคยเรียกแม้ว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว ครับแถมให้เงินผมด้วยหนูไม่ได้พาคุณแม่ไปเลี้ยงหรอกหรือผมลืมคิดถึงครับหลวงตาตอบเสียงอ่อยๆเอาละแล้วก็แล้วไปคราวหน้านูอย่าลืมนะก่อนจะเลี้ยงเพื่อนต้องเลี้ยงคุณแม่ให้อิ่มก่อนเพราะวันเกิดของเราก็คือวันตายของแม่หมายความว่าอย่างไรครับเขาไม่เข้าใจ หมายความว่าวันที่ลูกเกิดนั้นน่ะอาจจะเป็นวันที่แม่ต้องตายเพราะความทุกข์ทรมานในการคลอดลูกนะสิหลวงตาเคยเป็นหมอตําแยนะถึงได้รู้ยังไงว่าคนเป็นแม่นั้นน่ะเวลาจะคลอดลูกแต่ละทีมันทุกข์สาหัสเพียงใดหลวงตาถึงสงสารคนมีคันทุกคนหลวงตาเป็นหมอตาแยตอนไหนครับตอนบวชแล้วหรือยังไม่ได้บวช นายติงถามอย่างสนใจตอนอายุส6หแล้วก็ยังไม่ไ ด, ด้บวชอยากฟังไม่หล่ะหลวงตาจะเล่าให้ฟังอยากครับสามหนุ่มตอบพร้อมกันเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงเล่าประสบการณ์ตอนทำคลอดพี่สาวให้คนทั้งห้าฟังเล่าจบสามหนุ่มก็กรานเข้ามากราบที่ตักของมารดา นางกิมเองทราบซึ้งใจถึงกับมีน้ำตาใสาๆเอ่อขึ้นที่หน่วยตาทั้งสองข้างเพราะอย่างนี้นี่แหละหลวงตาถึงบอกว่าก่อนจะเลี้ยงเพื่อนต้องเลี้ยงคุณแม่ให้อิ่มเสียก่อนหนูยังดีนะนี่แค่ขอเงินคุณแม่ไปเลี้ยงเพื่อนบางคนนะเขาพาเพื่อนมากินเลี้ยงที่บ้านแล้วใช้แม่ทำกับข้าวให้เพื่อนกิน หนูอย่าทำอย่างนั้นนะบาปมากเลยแล้วก็ต้องรับกรรมด้วยหลวงตาเคยเห็นมาแล้วคนที่ทำเช่นนั้นรับรองทำมาหากินไม่ขึ้นหลวงตาจะยกตัวอย่างให้ฟังสักครานึงเป็นคนที่สิงห์บุรีนี่เองหนูมุนจะอยู่อำเภอบางระจันหนุ่มคนนี้เขาอยู่กับแม่สองคนพ่อเขาตายตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก แม่ก็ไม่ยอมแต่งงานใหม่สู้อดทนเลี้ยงลูกมาคนเดียวส่งเรียนจนจบปริญญาโทพอปิดเทอมลูกชายก็พาเพื่อนมาที่บ้านพอดีวันรุ่งขึ้นเป็นวันเกิดของเขาเขาก็สั่งให้แม่ทำกับข้าวเลี้ยงเพื่อนกำชับกำชาว่าทำให้สุดฝีมือเลยนะฝ่ายแม่ก็ทำอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความรักลูก แต่คนบ้านนอกทำอาหารก็คงจะสู่คนกรุงเทพไม่ได้มั้งพอลูกชายและเพื่อนๆชิมก็พากันบ่นว่าไม่อร่อยโดยเฉพาะลูกชายนั้นถึงกับตะค อ, อกใส่แม่ต่อหน้าเพื่อนๆว่าขอประทานโทษนะหลวงตาขอพูดไม่สุภาพคือแม่เข้ามาเล่าให้หลวงตาฟังนะ่ะเล่าไปก็ร้องไห้ไปเขาบอกลูกชายตะค อ, อกใส่หน้าว่า แกจะตายหาและวทำกับข้าวแค่เนี้ยไม่เป็นสปรดหมาแดกเชิญแดกไปคนเดียวเถอะว่าแล้วก็ชวนเพื่อนๆไปกินถิวร้านที่ตัวอำเภอแม่งี้นั่งกอดเขาร้องไห้เลยเข้ามาเล่าให้หลวงตาฟังหลวงตาก็คิดว่าคนที่ทำกับแม่อย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมติดตัว เขาจะต้องไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทำอะไรก็ไม่เจริญเพราะหลวงตาเคยเห็นมาหลายรายแล้วก็จริงอย่างที่หลวงตาคิดหลังจากนั้นอีกสองปีแม่เขาก็มาเล่าให้หลวงตาฟังว่าลูกเขาจบปริญญาโทแล้วก็ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่งทำงานได้ไม่ถึงปีก็ถูกไล่ออก ไปสมัครเป็นครูที่โรงเรียนราชอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ถูกไล่ออกอีกเลยต้องไปทำงานบริษัทหลวงตาก่อนึกในใจว่าเดี๋ยวก็ต้องถูกไล่ออกอีกเพราะกรรที่ทำกับแม่ให้น้ำตาตกแล้วก็จริงเสียด้วยเพราะต่อจากนั้นอีกไม่กี่เดือนแม่เขาก็มาบอกหลวงตาว่าลูกชายถูกไล่ออกจากบริษัทแล้ว เขาขอให้หลวงตาช่วยฝากงานให้ลูกชายเขาด้วยแล้วหลวงตาช่วยเขาไหมครับนายติงถามช่วยไม่ได้รอกนู้เพราะหลวงตารู้ว่าถ้าฝากก็ต้องถูกเขาไล่ออกอีกเพราะกรรมที่ทำไว้กับแม่ในที่สุดก็กลายเป็นคนเลเพลาดพลาดทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างเดียวนี่แหละพวกหนูจำไว้สอนลูกสอนหลานเลยนะว่า ลูกที่อักตันยูกับพ่อแม่จะทำมาหากินไม่ขึ้นแต่พวกผมไม่เคยอากตันยูกับพ่อแม่ใช่ไหมครับป๋าใช่ไหมครับแม่ในต้องถามบิดาและมารดาป๋าโชคดีที่มีลูกน่ารักลูกป๋ากตันยูทุกคนเลยข้าบดีชมลูกชายทั้งสามนางกิมเองก็เสริมว่าถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยเหลือ ครอบครัวของเราก็คงไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างนี้หล่อนอดไม่ได้ที่จะย้อนคิดไปถึงอดีตเมื่อห้าหกปีก่อนที่สามีหล่อนประกอบมิจฉาอาชีวะด้วยการเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดจนทำให้ลูกชายคนโตต้องมารับกรรมเป็นบุญของโยมเองนั่นแหละ พระโยมกับครอบครัวพากันสร้างความดีให้กับตัวเองคำดีก็ต้องได้ดีถ้าโยมไม่พากันสร้างความดีแล้วจะดีได้ที่ไหนจะเอาความดีมาจากที่ไหนความดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างต้องทำเอาเองคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยชอบสร้างความดีกันประเทศไทยมีพลเมืองกว่าสาสบล้าน แต่จะหาคนสร้างความดีสักแสนก็ยังยากเยาว่าแต่ญาติโยมเลยแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่สร้างความดีกันนอกจากไม่สร้างความดีแล้วยังสร้างความเลวร้ายอย่างตําแหน่งอย่างสมณศักดิ์กันพระดีถูกใส่ร้ายพระเลวได้อานาจในการปกครองสงฆ์แต่ในที่สุดก่อนนี้ไม่พ้นกรรม น่าสังเวชใจเลิศเกินท่านนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดมหาธาตุที่ท่านเจ้าคุณพระพิมนธรรมถูกใส่ร้ายป้ายสีถึงขั้นถูกบังคับให้ลาสิกขาบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังมีทั้งพระและขรคฤหัดครั้นกรรมมาให้ผลคนเหล่านั้นก็มีอันเป็นไปไม่ว่าจะมียศตำแหน่งหรือสมณศักิ์สูงสักเพียงใด ก็หารอดพ้นจากเวรที่ทกากรรมที่ก่อไม่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเริ่มทยอยกันมาเยี่ยมไข้ท่านพระครูมากขึ้นขหาบดีและครอบครัวจึงถือโอกาสกล่าวลาไม่ลืมที่จะลาโยมเตียงด้วยเจริญสุขนะโยมนะมันเจริญกรรมฐานสร้างความดีให้ตัวเองอย่าได้ทิ้งการปฏิบัตินะหนูนะท่านให้พรข้าบดีและครอบครัว พร้อมทั้งยาำเตือนชายหนุ่มทั้งสามมิให้ทิ้งการปฏิบัติแล้วผมจะหาโอกาสพาครอบครัวมากราบเยี่ยมหลวงพ่อนะครับข้าบดีกล่าวพอดีกับนายขุนทองพาแม่จวนกลับเข้ามาครั้นเห็นหนุ่มรูปหลอกําลังจะกลับนายขุนทองก็กระวีกระวาดเข้ามาทักทายจะกลับแล้วลหรฮะแหมขุนทองยังไม่ทันได้คุยด้วยเลยเขาพูดกับนายต่อฝ่ายนั้นพูดในใจว่า ผมไม่เคยคิดอยากจะคุยกับคุณสาธุมากราวหน้าขออยาให้พบในคนนี้เลยเห็นชายหนุ่มไม่พูดด้วยในคุนทองก็ยังตือ้อด้วยการเดินไปส่งถึงรถข้าบอดีนึกขึ้นได้ว่าควรจะถวายปัจจัยท่านพระครูไว้ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจึงนำเงินใส่ซองสองหมื่นบาทและชวนสมาชิกพากันกลับไปยังห้องพิเศษ นายขุนทองเดินตามมาด้วยพยายามจะเดินคู่กับนายต่อหากเขากลับเดินกลางโดยมีนายต้อมกับนายติ๋งเดินขนาบข้างโยมลืมอะไรไว้หรือท่านพระครูทักทายเมื่อคนทั้งห้าเข้ามากราบอีกครั้งลืมถวายปัจจัยหลวงพ่อครับผมขอถวายปัจจัยสองหมื่นถวายส่วนตัวนะครับไม่ได้ถวายเป็นของสง หลวงพ่อจะได้เก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลเขา อ, อธิบายจเจริญพรขออนุโมทนาในกุศ ล, ลจิตของโยมและครอบครัวที่อุตส่าห์พากันมาเยี่ยมอาตมาแล้วยังถวายปัจใจไว้ใช้สอยท่านรับประเคนพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาคนทั้งห้าหลาเมจจวนแล้วก็เดินไปที่รถในขุนทองเดินกลับไปส่งอี ชายหนุ่มท่องไว้ในใจว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกตกกล้งคืนท่านพระครูสวดพระธรรมจักอีกเป็นคืนที่สองเพราะท่านตั้งใจไว้ว่าจะสวดทุกคืนจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลคืนนี้นายสมชายมานอนเฝ้าส่วนนายขุนทองต้องกลับไปนอนวัดเพราะเขาให้เฝ้าได้คนเดียวสวดมนต์เสร็จท่านก็ตั้งใจจะพักผ่อนหลับนอน เพราะวันนี้ต้องรับแขกทั้งวันกลุ่มสุดท้ายเพิ่งจะลากลับไปตอนสามทุ่มเพราะโรงพยาบาลจะปิดท่านนอนไม่หลับเพราะว่าคันส่วนที่ใส่เฝือกรู้สึกทรมานนักพยายามข่มตาให้หลับจะได้หนีความคันพอจะเคลิ้มๆสติสัมปชัญญะก็กระซิบที่ข้างหูว่าต้องคันไปจนกว่าเขาจะเอาเฝือกออกอีกนานไหมท่านถามสติ สัมปชัญญะไม่นานหรอกแค่ห้าสิบเอ็ดวันสงสัยเราคงตายก่อนท่านประชดไม่ตายรอกหน้าพญายมราชไม่ปล่อยให้ตายรู้ไหมเนี่ยทำกรรมอะไรกรรมอะไรละ่ะทานย้อนถามงานก่อฟังให้ดีนะนี่เป็นกรรมที่ท่านผลักด้วยเท้าจนตะแก่ขี้เมาตกลงไปในแม่น้ำลบบุรี ต้องคันยุบยิบอยู่ในพงหญ้าทั้งคืนรุ่งขึ้นตอนใบบา ย, บายถึงขึ้นมาได้แกโกรธมากและก็เที่ยวไปเล่าให้คนแถวนั้นฟังว่าไม่รู้ใครมันถีบกูลงไปในน้ำกว่ากูจะขึ้นมาได้ก็ตั้งวันกับคืนหนึง่งขอให้มันรับเวรรับกรรมนี้ไปตอนนี้ท่านกำลังรับกรรมนะตอนรถตกเหวท่านก่อใช้เข้าไปทีหนึ่งแล้ว ที่ถูกเข้าคว้างจนหัวบวมนะ่ะเต่าบอกไว้ใช่ไหมว่าการใช้ก ร, รมแขะครั้งเดียวหาหมดไหมเอาละทีนี้ก็หลับซะพรุ่งนี้คอยตื่นขึ้นมาคันใหม่บ า, บาย